Book 2ูยี่สิบเก้าสองสิบเก้ n ที่ร้านอาหารหนึ่งดิรีสตอรัโต๊ะนี้ว่างไหมคะ apa meja ini tidak ada yang menempati ดิฉันอยากได้รายการอาหารค่ะ m อ a f saya อ n g ก n daftar m a k า n a n คคุณมีอะไรแนะนำไหมคะอะไรที่คุณแนะนำดีคะดิฉันขอเบียร์ค่ะฉันอยากดื่มเบียร์ดิฉันขอน้ำแร่ค่ะ Saya ingin sekali air mineral. Di ฉันขอน้ำส้มค่ะ Saya ingin sekali sari buah jeruk. Di ฉันขอกาแฟค่ะ Saya ingin kopi. Di ฉันขอกาแฟใส่นมค่ะ Saya ingin kopi dengan susu. กรุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะต้องด้ n g กุหลาดิฉันขอชาค่ะ saya อยากอยากอิงงอาอยากอยากอยานอาวาอ่งงงงา saya กอยากอ e ากอ n ากอยากยากอยากอยากอยาอชาใส่นมค่ะกอา s a y อ ingin teh d e n g a น susu คุณมีบุหรี่ไหมคะอันดาทุหรคะคุณมีที่เขียบุหรี่ไหมคะุณมีที่ขียบุหรี่ไหมคะคุณมีทบุหคุณมียไฟคุณมีไหมคะคุณมุหรีไหมคะขุร่ไมค่ขยว่ไมคะ่ขมคะ่ะ Saya tidak dapat garpu. Di ฉันขาดมีดค่ะ Saya tidak dapat pisau. Di ฉันขาดช้อนค่ะ Saya tidak dapat sendok. Ok.